นาคเคนกุมารศึกษาไตรเพทเมื่อนาเคเกษนกุมารเติบโตขึ้นอายุได้เจ็ดขวบมารดาบิดาก็ให้ศึกษาไตรเพททั้งสามกับศิลปศาสตร์อื่นๆสําหรับตระกูลพราหม์เริ่มเรียนสืบๆกันมานาเคเษนกุมารรับว่าจะเรียนเอาให้ได้ส่วนว่าโสนุตรพราหมผู้เป็นบิดา จึงให้เชิญพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์มาที่เรือนแล้วก็ให้ซับประมาณ 1,000 กหาปณ ะ, ะเป็นค่าจา้างฝ่ายนาคเสนกุมารฟังพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์บอกวิชาเพียงครั้งเดียวก็สามารถจําได้จนครบทุกประการจึงได้มีวาจาถามว่าข้าแต่บิดาคําสอนสําหรับสกุลพราหมณ์สิ้นสุดเท่านี้หรือหรือว่ายังมีอีกประการใดเล่า พราหม์ผู้เป็นบิดาจึงตอบว่านี่ในน้าเกษมคำถามสำหรับพราหม์มาแต่ก่อนเก่านั้นก็จบเพียงนี้เมื่อน่าเกษมร่มเรียนศึกษาจากสำนักพราหม์อาจารย์แล้วก็ให้ซับค่าจ้างบอกวิชาแล้วได้รับเอาซึ่งกรรมใบรานที่อาจารย์ให้เป็นกรรมใบรานหนังสือพราหม์สำหรับที่จะได้ดูและอ่านการไรเพศและศิลปศาสตร์ ทุกสิ่งอันอยู่มาวันหนึ่งนาคาเษนกูมานจึงลงจากประสาทไปยืนพิจารณาเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแห่งไตรเพศทั้งสามกับศิลปศาสตร์ทั้งปวงอยู่ที่ศาลาข้างประตูทุกวันไปจนตลอดถึงสามวันเมื่อไม่เห็นมีแก่นสารอันใดจึงเกิดความไม่สบายใจว่า สิ่งราวนี้เปล่าทั้งนั้นไม่มีสาระประโยชน์อันใดเลยในคราวนั้นพระโรหณะเทระนั่งอยู่ที่วัตตนิยเตนาสนะวิหารได้ทราบความคิดของนาคเสนกุมารจึงหายวับไปปรากฏขึ้นข้างหน้านาคเสนกุมารทันทีพอนาคเสนกุมารได้แลเห็นก็เกิดความร่าเริงดีใจว่า บรรพชิตองค์นี้คงรู้จักสิ่งที่เป็นสาระเป็นแน่จึงถามขึ้นว่าผู้มีศีลสระนุ่งเหลืองเช่นนี้เป็นอะไรพระเถระตอบว่าเป็นบรรพชิตเหตุใดจึงได้ชื่อว่าบรรพชิตเหตุว่าเว้นเสียซึ่งบาวเว้นเสียซึ่งโทษจึงได้ชื่อว่าบรรพชิตท่านรู้จักศิลปศาสตร์บ้างหรือรู้จัก ศิลปศาสตร์อันใดที่สูงสุดในโลกมีอยู่ท่านจะบอกศิลปสาสตรอันนั้นให้แก่กระผมได้หรืออาจบอกได้พ่อหนูเหตุใดผมและหนวดของท่านจึงไม่เหมือนคนอื่นนี่นะี่ะพ่อหนูบรรพชิต ท, ทั้งหลายเห็นความกังวลส6บหประการจึงได้โกนผมโกนหนวดเสียความกังวลส6บหประการนั้นคือ 1. กังวลด้วยอาภรคือเครื่องกระดับสกังวลด้วยช่างทอง 3. กังวลด้วยการขัดสี 4. กังวลด้วยการเก็บเครื่องกระดับ 5. กังวลด้วยการฟอกผมสะผม6 ก, กังวลด้วยดอกไม้ 7. กังวลด้วยของหอม8 กงวลด้วยเครื่องอกเก้ากังวลด้วยสมอสิบกังวลด้วยมะขามป้อมสิอกังวลด้วยดินเหนียววงเล็บเปิดสมอมะขามป้อมดินทั้งสามประการนี้ทำเป็นยาสระผมวงเล็บปิด 12. สองกังวลด้วยเข็มปากผมสิบสามกังวลด้วยผ้าผูกผม 14. กังวลด้วยหวีส5ห้ากังวลด้วยช่างตัดผม 16. หกอังวลด้วยการอาบน้ชาชาระผมรวมเป็นส6หประการด้วยกันในเส้นผมแต่ละเส้นย่อมมีหมูนอนอาศัยอยู่ที่รากผมทำให้รากผมเศร้าหมองคนทั้งหลายได้เห็นผมเศร้าหมองก็เศร้าใจเสียใจไม่สบายใจ เมื่อมัวแต่ยุ่งอยู่กับผมด้วยเครื่องกังวล16อย่างนี้สิลประาสาทที่สุขุมยิ่งก็เสียไปเพราะฉะนั้นแหละบรรพชิตทั้งหลายจึงต้องโกนผมโกนหนวดทิ้งเสียแค่แต่พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้น่าอัศจรรย์เพราะเมื่อคนทั้งหลายกังวลอยู่กับเครื่องกังวล16ประการอย่างนี้สิลประาสาทที่สุขุมยิ่ง ต้องไม่ปรากฏเป็นแน่ข้อนี้กระผมเชื่อแต่ขอถามอีกทีว่าเหตุไรผ้านุงาน่งผ้าห่มของท่านจึงไม่เหมือนกับคนอื่นอ๋นอการที่ผ้านุงาน่งผ้าห่มของเราไม่เหมือนคนอื่นๆ น, นั้นเพราะว่าผ้านุงาน่งผ้าห่มอย่างพวกคฤรือหัดทาให้เกิดความกําหนัดยินดีในสังขารร่างกายได้ง่ายทําให้มีภัยอันตรายบังเกิดขึ้น เครื่องนุ่มหอมของเราจึงไม่เหมือนของคนอื่นๆข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าท่านอานสอนศิลปศาสตร์ที่ละเอียดยิ่งให้แก่กระผมได้หรือได้พ่อหนูถ้าได้ขอให้ท่านโปรดสอนให้เดี๋ยวนี้เถิดเออพ่อหนูเวลานี้เรายังเที่ยวบินทบาตอยู่ในระแวกบ้านยังสอนให้ไม่ได้หรอกลำดับนั้นน่าเกษนกุมาร จึงรับเอาบาตของพระโรหณะเทระแล้วนิมนต์ให้ขึ้นไปฉันที่เรือนเมื่อฉันแล้วจึงกล่าวว่าขอท่านจงบอสึงปรปสา ท, ที่ละเอียดให้แก่กระผมเดี๋ยวนี้เถิดโอพ่อหนูตราบใดที่พ่อหนูยังมีกังวลอยู่ตราบนั้นเรายังสอนให้ไม่ได้ต่อเมื่อพ่อหนูขออนุญาตมารดาบิดาแล้วถือเพศอย่างเราคือโกนผม นุ่งเหลืองห่มเหลืองเหมือนเราเราจึงจะสอนให้ได้นาเคเสนกุมารจึงไปขออนุญาตต่อมารดาบิดาเมื่อมารดาบิดาไม่อนุญาตจึงนอนอดอาหารต่อเมื่อมารดาบิดาอนุญาตจึงบอกพระเทระว่ากระผมจกถือเพศยอย่างท่านขอท่านจงสอนศิลปศาสตร์ที่ละเอียดให้แกลกระผม พระโลหณะเทระจึงพาหน้าเกษกุมารกลับไปที่วัตตนิยะเสนาสนะวิหารคร้างอยู่หนึ่งคืนรุ่งเช้าจึงพาไปหาพระอรหันต์ ร, ร้อยโกดที่อยู่ที่ถ้ำลักขิตะเลนะ